จริงอุปติสสะต้องการเหลือเกินที่จะไปเฝ้าพระาศาสดาทันทีที่ได้ทราบจากพระอาสชิว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะเวลุวันกลันทกานิวาปะแต่มิอาจทำเช่นนั้นได้เพราะระลึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนรักผู้หนึ่งคือโกลิตะว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนขอให้บอกกันด้วยเหตุนี้อุปติสสะจึงรีบกลับมาสู่ปริพาชการาม ที่ตนและมิตรรักอาศัยอยู่พร้อมด้วยบริวารอีกเป็นอันมากโกลิตะได้เห็นอุปติสะเดินกลับมามีสีหน้าผ่องใส ย, ยิ่งนักไม่มีสีหน้าแห่งผู้หมกมุ่นคลุ่นคิดอย่างวันก่อ น, อนจึงอนุมานว่าสหายของเราคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นแน่แท้ปราดาจิตมนุษย์นั้นมีลักษณะเป็นประศสศนมีรศมีซ่านออก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 เมื่อจิตเศร้าโศกดวงหน้าก็เศร้าหมองสูบซีดแววตาร่วงโรยไม่แจ่มใสกิริยาอาการเงื่องหงอยไม่กระปรี้กระเป่าดูเถิดพราดาดูอาการสซ่านออกแห่งดวงจิตดูรศมีแห่งจิตหรือกระแสลำแสงแห่งจิตคนที่มีจิตเหลาะและโลเลคิดแต่จะเอาเปรยียบผู้อื่นพอพบเห็นกันครั้งแรกผู้พบเห็นก็มักรู้สึกว่า คนนี้ไม่น่าไว้วางใจส่วนผู้มีใจสูงได้รับการอบรมดีแล้วย่อมแสดงออกทางดวงหน้าและแววตาเหมือนกันใครได้พบเห็นจึงมักรู้สึกว่าช่างหน้าเขารบเรื่อมใสเสียนี่กระไรดังนั้นความรักใคร่หรือความเกลียดชังแม้ไม่ต้องบอกใครๆก็พอรู้ได้เพราะมันแสดงออกอยู่เสมอทั้งทางดวงหน้าและแววตา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 แต่ได้เห็นพระอัชชิขณะบินทบาทอยู่ในนคกรราชคลกและเดินตามท่านไปจนได้ฟังธรรมจากท่านเขาเล่าอย่างละเอียดละอ่อลิตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับเขา สองได้ปราโมทอันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตถาคตทรงยกย่องว่าเลิศกว่ารถทั้งปวงเพราะไม่เจอด้วยทุกและโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบประนีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรถแห่งโลกนั้นเจออยู่ด้วยทุกและโทษนานาประการ ต้องกังวลต้องหวาดระแวงความสุขแห่งโลกมักจบลงด้วยความทุกข์โล ก, กียรสยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งธรมแล้วมีทำเ อ, อบิบอาบอยู่ในใจแล้วความสุขอย่างโลกโลกก็ไร้ความหมายเมื่อจาเป็นต้องเสเวยความสุขทางโลกไม่ว่าประนีตปานใดก็มีใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนือง เหมือนผู้จำเป็นต้องดื่มน้ำที่แม้จะใสสะอาดแต่มองเห็นปลิงวนว่าอยู่ก้นขันลองคิดดูเถิดว่าเขาจะดื่มน้ำด้วยความรู้สึกอย่างไรนับถอยหลังจากเวลาที่ท่านทั้งสองคืออุปติสสะ และโกลิตะได้บรรลุทำไปไม่นานนักณหมู่บ้านพราหม์สองหมู่ไม่ห่างจากนครราชคลีนักในหมู่บ้านหนึ่งพราหม์ผู้เป็นนายบ้านชื่ออุปติสะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวังคันตะมีภริยาชื่อนางสารีมีบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อตามนามของบิดาว่าอุปติสะเรียกชื่อตามนามของมารดาว่าสารีบุตรในหมู่บ้านอีกหมู่หนึ่ง รามผู้เป็นนายบ้านชื่อโกลิตะมีภรรยาชื่อนางโมคกขลีมีบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อตามนามของบิดาว่าโกลิตะเรียกชื่อตามนามของมารดาว่าโมกขลานะสองตระกูลนี้เป็นสหายเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบรุษของสองตระกูลนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจึงได้เป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เล็ก เมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรศพทั้งในเมืองราชคลึและบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบ ต่อมาวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งดูมหรสพอยู่บนยอดเขาเพราะความที่ยานและบารมีธรรมที่ท่านทั้งสองบ่มมาแก่กล้าแล้วจึงเกิดความรู้สึกขึ้นว่ามหรสพนี้มีอะไรน่าดูบ้างมีอะไรเป็นสาระบ้างคนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งคนแสดงและคนดูไม่ถึงร้อยปีก็จะต้องตายกันหมดเราน่าจะสแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ อันเกิดจากความแก่เจ็บและตายความทุกจากการเวียนว่ายในสังสารวัติเมื่อคิดดังนี้จึงไม่มีอาการร่าเริงสนุกสนานอย่างวันก่อนๆ อ, อุปติสะนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกลิตตะเห็นอาการของเพื่อนแปลกไปอย่างนั้นจึงถามอุปติสาเล่าความรู้สึกของตนให้ฟังโกลิตตะบอกว่าตัวเขาเองก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือรู้สึกว่า ความเพลิดเพลินในมหรสพนี้มีอะไรเป็นสาระบ้างเราน่าจะสแสวงหาอะไรที่ดีกว่านี้สแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกโดยสิ้นเชิงพราดาอันว่าปุมชาติแม้เกิดในโคลนตมหรือในน้ําย่อมชูดอกขึ้นพ้นจากโคลนตมและน้ําไม่ติดตมและน้ําส่งกลิ่นหอมรื่อนรมใจฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้น เกิดแล้วในโลกเจริญแล้วในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่ติดในโลกกิเลสุขอันเปรียบเสมือนเยื่อเล็กน้อยที่ติดอยู่กับเบ็ดถอนตนขึ้นจากโลกปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากการย่ํายีเสียบแทงแห่งอารมณ์ของโลกไม่ต้องอึดอัดขับแขนเพราะโลกธรรมกระแทกกระทันบีบคั้นหัวใจไม่วันไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตพระดา ลองคิดดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดเหมือนอย่างว่าบุรุษหนึ่งมีสองมือมือข้างหนึ่งของเขาจับของร้อนจัดไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับของเย็นจัดไว้ของทั้งสองนั้นแม้มีสภาพตรงกันข้ามก็จริงแต่ก็จะให้ความทุกข์ทรมานแก่บุรุษนั้นเกือบจะเท่าเท่ากันฉันใดสุขและทุกข์ของโลกก็ฉันนั้นลงท้ายก็จะให้ความทุกข์แก่ผู้นวงเหนียวยึดถือเท่าเท่ากัน เพราะความสุขของโลกเหมือนเหยื่อที่เบ็ดเกี่ยวไว้พอปลากินเหยื่อก็ติดเบ็ดคราวนี้ก็สุดแล้วแต่พรานเบ็ดจะจุดกระชากลากไปมัสยาที่ติดเบ็ดกับกุฎุชนผู้ติดในโลกียสุขจะต่างอะไรกันทั้งสองคืออุปติสสะและโกริตะ ตกลงใจว่าจะสละโลเกียสุขออกสแสวงหาโมคธรรมแต่การสแสวงหาโมคธรรมน่าจะได้บดในสำนักใดสำนักหนึ่งจึงพาบริวารออกบวชเป็นปริภาชกในสำนักของอาจารย์สันชัยซึ่งอยู่ใกล้เมืองราชคลึนั่นเอง ตแต่สองสหายและบริวารบวชแล้วสัญชัยปริพาชกก็เป็นผู้เลิศ ด, ด้วยลาบและบริวารล่วงไปเพียงสองสามวันอุปติสสะและโกลิตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์ว่าไม่มีคำสอนอื่นใดยิ่งกว่านี้แล้วคือหมดสิ้นความรู้ของอาจารย์แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่าเท่านี้หาเพียงพอไหม ความรู้เพียงเท่านี้ไม่พอกับปัญหาชีวิตและความทุกข์ของชีวิตเราออกแสวงหาความหลุดพ้นความรู้ของอาจารย์ในสำนักนี้ไม่พอเพื่อความหลุดพ้นการอยู่พระพุทธพรมจันท ร, ร์ในสำนักอาจารย์สัญชัยจึงไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปอีกแต่ชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราน่าจะท่องเที่ยวไปในตามนิคมชนบทราชธานี คงจักได้พบอาจารย์ผู้หลุดพ้นแล้วด้วยตนเองและแสดงโมฆะธรรมนั้นแก่เราเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นมาได้ยินใครพูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ดันด้นไปหาทําการสากัะชากับสมณพราหมณ์นั้นๆปัญหาใดที่เขาถามอาจารย์ทั้งหลายไม่อาจแก้ปัญหานั้นได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้ เขาเที่ยวสอบถามอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่พบอาจารย์อันเป็นที่พอใจหรือให้เขาจุใจได้จึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันโดยในที่กล่าวแล้วข้างต้นพระดาบุคคลมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่สแสวงหาสิ่งใดเขาย่อมได้พบสิ่งนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง ทุรชนสแสวงหาแต่ทางที่จะทําชั่วก็ได้พบความชั่วสาธุชนสแสวงหาทางที่จะทําความดีก็ได้พบความดีนักปราชญ์แสวงหาทางปัญญาก็ได้พบปัญญามุนีผู้ฝ่ายสงบมุ่งความสงบก็ได้พบความสงบเย็นใจบุคคลสแสวงหาสิ่งใดย่อมได้พบสิ่ง น, นั้นในโลกนี้มีสิ่งที่มนุษย์สแสวงหามากใครจะสแสวงหาอะไร ก็สุดแล้วแต่อุปนิสัยของเขาอันการแสวงหานั้นที่ประเสริฐก็มีไม่ประเสริฐก็มีโดยปริยายเบื้องต่ําสัมมาอาชีวะเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐวิชชาอาชีวะเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐโดยปริยายเบื้องสูงการแสวงหาอามิตร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 ดูก่อนพระดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งมวลตนเองมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังเที่ยวแสวงหาสิ่งอันมีความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาทับถมอีกจึงต้องเพิ่มความเดือดร้อนขึ้นทับทวีคูณตรีคูณเพราะเหตุที่บุคคลรู้สึกพร่องในตนจึงพยายามแสวงหาสิ่งอื่นที่เข้าใจว่าจะมาทาความพร่องของตนให้เต็มบริบูรณ์ แต่เนื่องจากสิ่งที่สแสวงหามานั้นมีความพร่องอยู่ในตนเหมือนกันจึงหาทำให้ใครเต็มบริบูรณ์ได้ไม่มีแต่จะเพิ่มความพร่องให้มากขึ้นเปรียบเหมือนคนตาบอดด้วยตนเองแล้วไปสแสวงหาคนตาบอดมาอยู่ด้วยก็หาได้ทำให้ตาของตนสว่างขึ้นไม่ยังจะต้องเป็นภาระกับคนตาบอดอีกคนหนึ่งแต่อ น, นิจจา กว่าจะรู้อย่างนี้ก็มักสายเกินแก้เสียแล้วสภาพของโลกจึงอยู่ในลักษณะคนตาบอดจูงคนตาบอดและเตี้ยวอุ้มคอมเสมอมาความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลทุกเพศทุกวัยแสวงหาด้วยความเข้าใจว่าตนจะสมบูรณ์ขึ้นเพราะมีความรักและคนที่รักเข้าใจว่าตนจะมีความสุขเพราะมีความรักแต่พอมีเข้าจริง ความกังวลห่วงใยความกลัวจะเสียของรักหรือคนรักความหวาดหวั่นพร่นปรึงต่อการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักความริษยาอาฆาตต่อบุคคลที่มีท่าทีว่าจะมาแย่งคนรักของตนไปเป็นอาทิเมื่อรวมกันแล้วก่อความทุกข์ความกังวลให้มากกว่าความสุขเล็กน้อยเพราะความเพลินใจในอารมณ์รักหรือสิ่งที่รักความไม่สมบูรณ์ในตนนั่นเอง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 อุปติสสะและโกลิตะได้ดวงตาเห็นทำแล้วจึงชวนกันไปเฝ้าพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเวลานั้นประทับอยู่ณเวลุวันแต่อุปติสสะซึ่งเป็นผู้หนักในกาตัญญูกตเวทีระลึกถึงอาจารย์สันชัยจึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทั้งปวงให้ฟังชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระาศาสดาด้วยแต่อาจารย์สันชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้ว ไม่ควรไปเป็นสิทธิ์ของใครอีกเมื่อสองสหายอ้อนวอนหนักเข้าอาจารย์สัญชัยจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากสองสหายตอบว่าคนโง่ามากกว่าสัญชัยจึงสรุปว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พวกที่ฉลาดฉลาดไปหาพระสมณโคดมเถิดส่วนพวกโง่โง่จงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราแม้จะรู้ว่า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 และประทับอยู่ณนะที่ใกล้นี่เองควรจะถือโอกาสอันดีนี้ไปเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาแต่สันชัยก็คงยืนกรานอย่างเดิมดูกอนพระดาคนที่เป็นปรททะบประ m นั้นมีอยู่สองจำพวกคือพวกหนึ่งปัญญาน้อยเกินไปหรือพวกปัญญาอ่อนอีกพวกหนึ่งมีทิฐิมากเกินไปไม่ยอมฟังความคิดเห็นของใครๆ คนทั้งสองพวกนี้สอนได้ยากหรืออสอนไม่ได้เลยที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ําติดโคลนตมมีแต่จะเป็นเดือของปลาและเต่าเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สําเร็จแน่แล้วสองสหายก็จากไปสิทธิในสํานักของอาจารย์สัญชัยติดตามไปเป็นจํานวนมากพระหนึ่งว่าปริภาชการามจะว่างลงสัรชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือด สิทธิของสัญชัย250หคนคงจะสงสารอาจารย์จึงกลับเสียในระหว่างทางคงติดตามท่านทั้งสองไปเพียง250หคน ทั้งสองถึงเวรุวันนั้นเป็นเวลาที่พระาศาสดากำลังทรงสแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัททอดพระเนตรเห็นสองสหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสะและโกลิตะกาลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอครสาวกสาวกผู้เลิศของเรา ทั้งสองและบริวารถวายบังคมพระาศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระาศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาให้พิศดารออกไปมุ่งเอาอุปนิสัยแห่งบริวารของสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อได้สําเร็จมรรคผลก่อนเมื่อจบพระธรรมเทศนาบริวารทั้งสองห้าสิบท่าน ได้สําเร็จอรหัตผลส่วนสหายทั้งสองยังไม่ได้บรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปคงได้เพียงโสดาปฏิผลเท่านั้นเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นท่านว่าสาวกบา ร, รมีญาณเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังการมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอันหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องตรตรองมาก มิได้ปรองใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายต้องการใคร่ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดแจ้งด้วยตนเองเสียก่อนแล้วจึงเชื่อและปฏิบัติตามแต่พอสําเร็จแล้วก็ประดับด้วยคุณาลังการทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สําเร็จแล้วนั้นพราดาเปรียบเหมือนการเดินทางคนพวกหนึ่งเดินก้มหน้าก้มตางุดงุศเพื่อรีบไปให้ถึงปลายทาง ไม่มองดูสิ่งใดในระหว่างทางเลยเมื่อถึงปลายทางแล้วก็เป็นอันถึงแล้วแต่หาได้รู้อะไรอะไรในระหว่างทางอันเป็นเครื่องประกอบการเดินทางของตนไม่ส่วนคนอีกพวกหนึ่งค่อยๆเดินไปตรวจสองข้างทางอย่างทุ่นทีมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษก็แวะชมจดจำและทำความเข้าใจคนพวกนี้อาจถึงจุดหมายปลายทางช้า แต่เมื่อถึงแล้วย่อมมีความรู้พิเศษติดไปด้วยมากมายฉันใดผู้สำเร็จมรรคผลในพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นบางพวกเป็นสุขวิปัสสโกคือสามารถทำลายกิเลสได้เกลี้ยงหัวใจแต่ไม่มีคุณสมบัติอย่างอื่นเช่นวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่หรืออภิญญาหกบางพวกทำลายกิเลสได้เกลี้ยงหัวใจด้วยมีวิชาสามด้วยบางพวกมีอภิญญาหกด้วย บางพวกมีปฏิสัมพิทาสีด้วยพระราดาพระอครสาวกทั้งสองเป็นผู้พร้อมด้วยอค拉สาวกบารมียานแม้จะสำเร็จช้าแต่เมื่อสำเร็จแล้วก็ประดับด้วยคุณนาลังการทั้งปวง